เป็นอาการครับดังนั้นพระเจ้าจึงเรียกว่าปัจจยาการมันไม่ใช่อันนี้กับอันนี้แต่ความที่อันนี้ก่อให้เกิดอันนี้ดังนั้นเน้นไปสู่อาการชื่อหนึ่งที่ชัดๆมากๆเลเรียกว่าปัจจัยาการเป็นอาการเท่านั้นนะครับเราพบว่าฟิสิกส์แบบของนิวตันเนี่ยเรามีจุดที่ตายตัวมากอันนี้กับอันนี้นะแต่แล้วมาฟิสิกส์สมัยใหม่ดูเหมือนจะ น, นาโดยฟิจอคปลาละอะไรอย่างเงี้ย เราไม่ได้ดูว่าอันนี้กับอันนี้เราไม่ได้ดูว่ามันเป็นสิ่งหรือไม่ใช่สิ่งแต่เราเห็นอาการของมันครับอาการที่อันนี้กระทาการนี้แต่เราเราเรียนวิชาฟิสิกส์ดีหรืออะไรก็ดีนะฮะเรามากักจะสร้างโมเดลแบบจําลองขึ้นพอคิดถึงอะตอมเราเขียงน้อกลมก่อนที่จริงนี่ไม่ใช่ครับของจรงิงไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยมันมีแต่อาการครับและนั้นไม่ว่าวิปัสสนาชั้นสูงหรือสภาวะของความรักความงามเนี่ย มันปรากฏเป็นอ า, อาการทั้งสิ้นเลยครับเชนาการที่ดวงจิตเปล่งประกายแช่มชื่นกันมานะสรอบคำว่าใจของผมนั้นแต่ปัญหาที่ ท, ท้าวความเมื่อกี้นะี่เป็นเรื่องลึกนะเรื่องกว้างมากครับเขียนตาําราเป็นเรื่อล่มไม่จบด้วยนะแล้วยุติไม่ได้ด้วยครับว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันงามอยู่ในตัวมันหรือว่าเพราะเราว่ามันงามมันจริงงามมันดีในตัวมันหรือว่าเพราะเราดวงจิตมนุษย์เนี่ยคิดว่ามันดีมันเลยดูดีอะไรเหล่านี้นะครับ แต่ผมคิดว่าที่ลากฐานที่พื้นฐานจริงๆรงนะเมื่อดวงจิตของมนุษย์ผ่องแพ้วความงามนั้นเป็นพ้นความหมายความสวยหรือไม่สวยพ้นคู่เปรียบมันความงามนี่เป็นความงามอีกประเภทหนึ่งแล้วครับมันกลายเป็นในคุณสมบัติที่อิสระแยกไม่ได้จากความหมายคําอิสระเพราะว่าถ้ามีการเห็นที่ถูกร้อยรัดด้วยกิเลสตัณหาจะจะไม่พบอิสระในการเห็นผู้เห็นผัวพันุ์เกับการเห็นซึ่งเป็นกรรมครับ ผู้พันนึกการกระทําการดูการทําการฟังนี้โดยหลักธรรมชั้นลึกแล้วก็ถือเป็ น, ปนกรรมานั้นเป็นการกระทํามุ่งกระทำแลว้วท่านวิญญาณก็มีที่เกิดครับพอวิญญาณไปรู้อะไรเข้ามันก็ติดสิ่งที่มันรู้ทันทีเนี่ ย, น, ยนี่มันก่ อ, อ ก, กรรมขึ้นมาแล้วสุนทรียภาพในความหมายที่ลุ่มลึกนี่ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาจากดูมจิตที่อิสระเราพบว่าบางวันนะี่ยนะฮะ 20ปีที่แล้วผมก็ถูกถามจากชาวประมงคนหนึ่งนะฮะเหตุที่เขาต้องมาถามผมซึม่งเป็นนักบวชอยู่เขาพูดผมถามเขาทำไมคุนมาถามผมนะถามผมเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาไปถามอิห ม, ม่ามถูกไล่เต็เพื่อโดยจากเขาถามผมด้วยใจคำซึ่งแปลกมากครับกขถามจากประสบการณ์จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อวดภูมิรู้นะก็บอกว่า ผมผมเป็นชาวประมงแล้วผมแปลกใจมากว่าบางวันเนี่ยผมรู้สึกทะเลเนี่ยไหมเอียมเลยเรือที่ผมแล่นในทะเลเนี่ไหมเอียมขึ้นมาแล้วก็บางวันน้ำเกา่าข้าคข้ า, ขาผมเองได้ตอบว่านั่นเป็นเรื่องภายในจิตใจของเราด้วยครับโลกธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยความบริสุทธิ์ของสภาวะธรรมนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันแต่เราเห็นภายใต้วิบากกรรมของเรา นั้นพอเราหาันไปดูแสงแดดเราข้างในเราภาคทันทีแสงแดดโอ้ยสวยจริงเนยดังนั้นความสวยที่ปรากฏดวงจิตรับรู้นีน่มันเป็นฟ้าแล้วครับเอดังนั้นการที่เห็นตัวสภาวะดั้งเดิมจริงเน่นเน้ น, น, นองแห่งสิ่งที่ดูกับสิ่งที่ถูกดูนี่เรือนลางจางหายก็ด้วยกันดังนั้นไม่สามารถสร้างแม้แต่ถ้อยคำว่ามันสวยหรือไม่สวย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 นั้นพุทธศาสนาจึงให้ความขันมากกับการเห็นไม่ใช่การรู้ไม่ใช่การจำการเห็นนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงระหว่างจิตและวัตถุโลกธรรมชาติและธรรมะที่บริสุทธิ์บางครั้งพรติาจาตรัสว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาฟังดูแล้วโอ้มันมันเกินวิสัยนะฮะมันจะไม่มีได้อย่างไรนเะมื่อ เขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ยืนอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยแต่ว่าแต่ทีน่นี้ปัญหามันอยู่ตรงพัฒนาการครับดังนั้นสูนทรีภาพที่ว่านี้นเ่ไม่ใช่สิ่งที่จะพร่ำสอนกันได้สิ่งที่ต้องทำก็คือการเจริญวิปัสนาเมื่อเจริญวิปัสนาแล้วไม่ว่าแบบของฮินดูของรามที่ริงทางตัวน อ, อกมีรากร่วมอะ น, นะแต่ของพุทธเนี่ยมั น, ม, นมันแปลกยักเยือกเลยนะเออ ไม่ใช่สุนทรียภาพในพระผู้สร้างแต่ถ้าเป็นของพุทธเนี่ยสุนทรียภาพในอริยสัจซึ่งเข้าใจยากมากครับเป็นความทุกข์ยากในความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองดวงจิตยังผ่องแพ้วประพัดสอนได้ปกติพอกายเราเจ็บเราก็เศร้าหมองจิตก็เศร้านะห่อเหี่ยวหรือแม้แต่ถูกโกงเงินในบาทเดียวจิตสับสนมาแนละ้วบาทเดียวความโลคเงินบาทนะครับสิบล้านนะัเท่ากันครับ ถ้าร้อนเท่ากันเลยสอบสวนก้นมาในดวงจิตดังนั้นสุนทรีภาพก็ไม่ปรากฏสุนทรีภาพคือพี่ว่าเป็นสิ่งรื่นรมเมื่อจะตายก็รื่นรมนะครัลองเทียบอันนี้ดูผมอาจจะไม่ไม่ไม่เข้าเรื่องโดยตรงนะสมมติคนหนึ่งมีฤทธิ์มีเดชเมื่อถึงคราวจะตายเนี่ยต่อสู้ด้วยฤทธิ์ด้วยเดชกับไปคนหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงคราวตายก็คือตายไม่ยอมทําอะไรเลยเนี่คนเนี้ผมคิดว่าเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาชั้นสูง เมื่อถึงคราวจะต้องตายนะครับผมไม่ได้หมายค่าตัวตายนะก็ยินดีตายสมัครที่จะตายหรือถ้อยคาที่มหาธรรากันทีใช้ก็พออนุมาณลงได้อนุลงลงได้ยากจนด้วยความสมัครใจยากจนด้วยความสมัครใจมันมีสุนทรียภาพอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยคือรื่นรมที่ตัวเองต้องถูกทอดทิ้งแต่คนเราไม่อยอมเวไวยนะ์เลเพราะว่าเราหว่างเดินจาก ปฏิทั์ในเรื่องของบารมีขันติบารมีอธิษฐานบารมีเรื่องบารมีสิบนี่เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งลางเลือนมาจากแผ่นดินนี้นะฮะแผ่นดินนึงเคยมีชีวิตยอยู่เพื่อสังสมบารมีให้ถึงที่สุดทุกท <Okay. S 1> ากิจการงานเลี้ยงลูกก็เพื่อเสริมสร้างบารมนะีทุกสิ่งอย่างครับสุนทรียภาพวันนี้สาคัญตาบอดหูหนวกไม่เป็นไรความงดงามชีวิตยังอยู่กับเราได้นะฮะ ผมไม่ได้ตอบคำถามเลยครับผมตอบไม่ได้จริงจรนะิงเลยครับแล้วก็ก็สรุปายจานะครับอยู่หลายประเด็นที่ว่าสิ่งมีอยู่ที่บอเป็นอาการก็ผมก็เห็นมว่าแม้ในพุทศาสนานั่นเองที่บอกว่าเราว่าสิ่งมีอยู่คือลูกจิตสิทธิ์และนิพพานอะไรก็แล้วแต่ท่านพูดแต่เพียงแต่ลักษณ ะ, <Okay. S 2> ะมีแต่อามีแต่ลักษณะอาการในส่วนหนึ่งของลักษณะลักษณะความอ่อนแข็งเรียกว่าธาตุดินท่านจะบอกว่าเป็นลักษณะ ลักษณะอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานส่วนอาการนั้อลลักษณะการลักษณะการอาการในส่วนหนึ่งของลักษณะประเด็นหนึ่งและที่ที่อาจารย์ญญได้อธิบายถึงความสมรรถภาพในเรื่องของความเป็นอิสระนั่นถู ก, กอตรงกับความคิดของผมอยู่ที่ว่าตราบใดถ้าเรายังความสมรรภาพจะเกิดขึ้นในทางวัสุนาก็ต่อเมื่อความอิสระก็คืออิสระจากปัญหากิเลสนั่นเองการมองสมรรภาพก็เกิดเกิดด้วยปัญญาเช่นกระดัผมมองสมรรถภาพในขณะจิตของผมเนี่ยว่าจิตนั้นประกอบไปกิเลสก็ดี กุศลก็ดีอกุศลก็ดีสิ่งที่ไม่ทไม่ใช่ทำก่งเป็นกุศลอกุศลก็ดีเนี่ยมันเป็นสูนทรียภาพของธรรมชาติที่สร้างปรุงแต่งขึ้นมาอย่างมีหลักมีกลางมีปฏิยาการแม้แต่สายปฏิจจสมุปฏิจจสมุบาตซึ่งผมถือว่าเป็นสายพันธุ์แห่งความเวลวร้ายของขันนะครับแต่เราก็เห็นความสูงคุยภาพของเขา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 เพียงแต่ว่าเราจะหาสาระประโยชน์อย่างใดที่จะก้าวถึงจุดประสงค์ของเราเนะครับก็คคุกครับผม<บ>เป็ห่วงอย่างหนึ่งที่อาจารย์พุทธทาสนนะอลงแล้วไปลงมาไปอนะันนี้คำสอนของอาจารย์นะ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 พระพุทธศาสนาฝ่ายเทววัตแล้วก็นำคำสองต่างๆซึ่งเป็นของมหายาณเป็นจานวนมากผมเรียกว่าเก้าสเปอรน์แล้วก็ท่านก็ไม่ยอมเปิดผยในการที่ว่าคำสอนเหล่านี้เนะ่อยู่ในลักษณะของฝ่ายมหายาณอาจารย์เคย คิดบ้างหรือเปล่าวะเพราะเหตุใดอาจารย์พุทธทาสจึงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงเพราะว่าความจริงเท่านั้นเองนะที่จะไปสู่สูนทรียภาพที่มั่นคงเพราะว่าทุกคนต้องมีสุนทรียภาพในตัวของเราเองตลอดเวลาเพราะในชีวิตของเราจะได้ไม่เกิดมรรคเสียเปล่าอาจารย์เข้าถึงไปถึงไหนครับ ในช่วงต้นของตัวผมเองที่เข้าไปเกี่ยวพันกับาศาสตรธรรมนะฮะผมมองท่าอาจารย์เป็นเป็นพระภิกษุแต่ในช่วงปลายนีผมผมมองไม่เห็นจีวรในตัวท่านเลยครับคือเราไจุดที่สำคัญครับว่ามหายานเทรวาบวชจีวรหรือไม่มีจีวรโกนหัวหรือไม่โกนหัวนะ ไอ้ น, นี้เป็นวัฒนธรรมนะเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมจริงอยู่นะฮะภายใต้เครื่องแบบท่านอาจารย์ก็แสดงธรรมเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมของชาวพุทธเห็นไชาติท่านเป็นผู้นักอนุรักษ์ทีเดียวหยิบหัวข้อธรรมะในพระไตรวิฎกว า, ารณัยเจรณัยให้คมคายขึ้นเพื่อให้เอามาใช้งานได้ก่อนหน้านี้มันจะฝังในวรวดกกีโกนะฮะ บางทีเราไม่รู้ในใาว่ามันใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้นะเราเรียนพระวินัยก็ดีพระพระมาสก็ดีอะไรนี่เพื่อเป็นเครื่องประดับประดาแต่เราไม่รู้จะใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้ในการแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวมส่วนสังคมนะนั่นบทบาทของท่านนะแต่แล้วแง่มุมหนึ่งคือความเป็นปราอดที่แฝงอยู่ในตัวท่าน องค์พระเจ้าท่านประนามพระภิกษุที่ชอบคุยเรื่องเดรัจฉานกาถานะฮะแต่ทําไมพระเจ้าถึงเล่าเรื่องอคันธสูตรเนะี่ยเล่าตั้งแต่การสร้างโลกสหัางชุมชนซึ่งเราไม่เราไม่ถืออันนี่เป็นเดรัจฉานคาถาแต่เป็นการโยงกันสู่รากเงาที่มาของอดีตช่วงหลังนั้นผมมองท่านอาจารย์เป็นผู้รู้ผมไม่ได้ดูที่จีวรถ้าท่านจะลุกขึ้นสัดท่ามโนลาผมดูนี่ผมเล่าได้ เราท่านก็ทำรรด้วยนะครเพราะว่าเราศึกษาผมเองใส่ใจในศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นบรรวาของพุทธศาสนาครับเพราะศิลปะรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ก็เกิดภายใต้ร่มโพของพุทธศาสนาและเกิดขึ้นเพื่อบำรุงาศรราสนาทังนั้นเนยนะฮะแล้ว่าวิชาช่างอันใดดังนั้นคราวหนึ่งท่านอาจารย์พิเคราะห์ถึงเรื่องภาพหินสลักที่มีตัวพญานาค ฟ้อนนำหน้ากระบวนเสด็จของอมายาเทวีสู่เทวหาตุท่าเนี้ยท่านบอกเป็นท่าลําของวโนลาท่านถามาว่าคุณ ล, ลําไปหรือเปล่าผมก็เห็นท่านกเลยสัดท่าอยู่เออดังนั้นแต่ผมผ ม, ผ ม, ผมสัมผัสสิ่งนี้ด้วยความรู้สึก ต, ตื่นตาตื่นใจนั้นข้อที่หนึ่งนะฮะที่จะให้เห็นว่า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 ไม่อาจที่จะเป็นพระหรือไม่ใช่พระได้ปราดแท้ไม่จำกัดอยู่ภายใต้ชาติชั้นวันละทั้งสิ้นแต่ก็จริงในง่ที่ว่าท่านศึกษาผ่านตำราหมหายานแล้วรู้ว่าในมหายานมีหินญานในหินยานมีมหายานแล้วท่านประสานมันขึ้นมาเร่อเรื่องสุญญ า, านในสุดเวลาเทศนาท่านคัดขึ้นมาจากกระจาวิโดกฝ่ายเทววาแต่โดยการเร่งเร้าของมหายาน นั้นทั้งมหายาและนิยานได้บรรจบกันที่นั่นยานทั้งสองเหมือนผลไม้สู่ปากซีกครับถ้าเราได้เพียงซีกเดียวเราจินตนาการหนึ่งภาพรวมทั้งหมดไม่ได้จนกว่าเราอีกสิ่งหนึ่งประกอบข้าเราจะเห็นมิติที่ลึกและกว้างของพุทธศสนาเทววาดแคบลงนะฮะเป็นที่ยอมรับเช่นฐานการภาวนานี่แคบคนที่ต้องบวชโกนหัวเท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้ แต่พระอาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างที่เบส น, นะฮะมีพระลามะที่ไม่มีลูกไม่มีเมียนะแล้วลามะที่มีลูกมีเมียนะโยคีที่ไม่มีลูกไม่มีเมียน ะ, ะยนะโยคนะีฐานทุกฐานได้รับการรับรองทัดเทียมกันหมดครับั้นฐานก็กว้างมากนะอารารย์นั้นค่อยๆปรับบุคลิกภาพตามความเข้าใจของท่านนะจนในสุดรอาจจเขาใจผิดเพราะท่านเป็นมระอาจารย์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 แล้วพิสูจน์ถึงเนื้อหาที่แท้จริงพุระศาสนายืนยันอย่างนี้มันตลอดในห่วงประสตร์ที่แล้วมานะไม่เคยมีการลูกลานเลยแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วอย่างผมเคยถามบาทหลวงคนหนึ่งว่าผมอ่านไบเบิลนะครับศรัทธาในคําสอนของเยซูเทศนาของเขาข อ, ขอกเทศผมเป็นคลิปได้ไหมยก็บอกไม่ได้ผมบอกถ้าคุณปฏิบัติภาวนาของพระเนจะ้าเนียคุณเป็นได้ทันทีหรือคุณจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นได้ทั้งนั้นคาตอบของผมต่อประเด็นนี้นะครก็คือ พัฒนการในตัวของท่าอาจารย์นั้นจากพระภิกษุเงื่อนอินทรปัญโยตุกอวตตั้งส่วนโมกขละรามที่บูรีงด้วยแรงผลักดันทางสังคมและในช่วงชิงชัยความเป็นผู้นำในภูมิปัญญาเนื่องจากการถ่ายโอํานาจรัทในช่วงปี75นะฮะทำให้ท่านต้องพึ่งตัวเองในทุกพิธีทางเข้าใจาไหมครับก็อํานาจรัทธคืออยู่ในกํามือของมห า, า, าสัตว์มาไม่รู้กี่ร้อยปี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 ถูกนําเสนออย่างเป็นระบบโดยท่านอาจารย์ครับก่อนหน้านั้นเซนก็เรื่องเล่านิทานกันนะอาจารย์ถีบศีดอย่างรุนแรงแล้วก็สว่างสวายขึ้นแต่ท่านอาจารย์ท่านไม่เล่นอย่างนั้นครับท่านแปลคําสอนของเหลาวงโปอย่างเป็นระบบนั่นคือการเคารพจ่อมหายานอย่างลึกซึ้งถ้าไม่เคารพก็แปลลวกๆก น, นะฮะเหมือนที่เรามาเล่ากเล่นเรื่องอาจารยถีบศีดไอ้นี่เราเราไม่ได้เราไม่ใช่บูชาหนทางกันนะั้น ดันข้อกาหาที่คนไปหัวว่านะครับผมแก้แล้วครับว่าวิสัยอย่างปาดัพ้นหินญานหรือมหายาณพ้นชาติชั้นวันนะแต่พร้อมๆราั้นก็ไม่ใช่ว่าไปทำลายไอ้ลากเงาของหินญานมหายาณนะแต่ถ้าดูให้ดีๆคำสอนงท่านเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างถูกประมวลมาในชุมชนประเทศนี้แล้วก่อเกิดประโยชน์กระทบกับทุกวงการเห็นไหมฮะ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 บทบาทจูจางไปหรืออย่างไรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะเพราะว่าจะก้าวจะฝึกก็ได้สังเกตดูคนรุ่นใหม่นี่จริงจังขึ้นศึกษาขึ้นฝ่ายรู้ขึ้นนะฮะพุทธศาสนาที่อยู่ภายใต้ท่าทีของวัฒนธรรมนั้นเฉยนิ่งมาตั้งนานแล้วนะฮะช่วงว่าทําเฉยนิ่งนั่นเองเฉยนิ่งผมหมายถึงมันมันไม่มีอะไรที่ที่เรียกว่าสร้างสารรค์เชื่อเชื่อกันมาระบบคนบประเพณีงความเชื่อนึก เมื่อเริ่มต้นมันมีชีชวิตีวาแต่ว่านานเข้ามันเฉยนิ่ไม่มีการท้าทายการตีความนับตั้งแต่ราชอาณาจากักรสกุลไทยจนรัตนรงค์ศิล์ช่วงนี้นะยังไม่มีพระเทระหรือปลัดคนไหนกล้าตีความบระวัจนะได้อย่างจริงใจแนละตรงไปตรงมาเหมือนท่านอาจารย์นะพระพิสุสงฆ์ครั้งอดีตมีความเคารพต่อประเพณีเมื่อจะเทศสนาบธรรมมาก็ตั้งนิเคปะบทพระพาสิทธิ์แล้วบอกว่าพระธรรมภาพจะาวิสัชนา พระพุทธภาษิตของพระผู้มีภาคเจ้า ค, คือไม่กล้าตัวเองก็ไปแตะแต่ท่านอาจารยทา์ท่านตีความและเป็นการตีไม่ใช่ตีได้ทีเอานะตียังมีหลักยังมีที่มาที่องิงแล้วมหายานเป็นที่อ้างอิงอันหนึ่งนะครับ <laughs> ผมใช้เวลาไม่นางนะครับในเรื่องที่ท่านอาจารย์เปนง่งน่ะผมก็ถ้าความเป็นปรักของท่านอาจารย์ผมขอสมหวนไว้ก่อน เระธรรมดาผมได้รู้จักอาจารย์ธิรธาที่เดี๋ยวเดี๋ยวคงว่าจะไปนะครับไปถึงบุญแล้วทีท่านเป็นเต้าเปาเต็งเต็กอะไที่แสงเจ้านะครับท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังท่านอาจารย์พุทธาท่านได้เล่าอะไรให้ได้ฟังมากท่านพุทธาได้อาศัยท่านผู้นี้ซึ่งคล้ายกับอาจารย์นะครับรูปร่างแล้วก็แล้วก็ไว้หนุนข่าวเหมือนกับอยู่กับกลองนั่นนะฮะเสียงใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจอมีคัมภร์เกี่ยวกับมณายามมากซึ่งเขาก็บอกว่าอาจารย์พทุทธาได้อาศัยท่านมากแต่แม้ในคำต่งตางๆก้อนจริงเนี่ย เป็นการพัฒนาของอาจารย์ที่ท่านมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาสูงพอ ท, ที่จะมองแนวทางต่างๆแล้วมาไปยุกอย่างที่อาจารย์กล่าวนะครับแล้วอาศัยความว่าท่านผู้กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอย่างหนึ่งนะครับความจริงมหายานเนี่ยควรจะพัฒนาการมาจากเทรวาจักรมีอย่างนิทานเซนเรียงชาล้มเทเวเนี่ยความจริงแล้วมันมีอยู่ในคําพีเทร ว, วาคือผู้จเจ้านั้นตัดกับพีขานัก่ะ เห็นที่ข้าราก็รเขาตัดว่าทิฏฐิใดๆนม่สมคนแก่พระเาผิดทั้งนั้นแต่ไม่ด้วทิฏฐิของตัวเองมันถูกพระเจ้าจึงเห็นว่าการโตเถียงด้วยทิฏฐินั้นน่ะไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อการทวารวะจึงเห็นว่าที่ขาพนิคขานั้นเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยน้ำที่เป็นพิษพวกซึ่งต้องการที่เติมน้ำลงในน้ำเต้าอีกยังไม่พร้อมที่จะเติมน้ำน้ำอมฤตปธรรมหรือน้ำน้ำหวานน้ำ น้ำพึ่งอะไรในที่เติมไปซึ่งมีกล่าวไว้ในนั้นมันมีประจำนวนมากนิทานเสียนที่อาศัยคันธีในพุทธะว่าด้วใช้มันเป็นจำนวนมากที่เราไม่ทราบกันเองนะครับมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความแตกต่างไม่ถ้าถามว่าเป็นพุทธไม่เป็นพุทธด้วยกันแต่ความแตกต่างนั้นอยู่ที่ยุทธวิธีในการอธิบายและการเอาผลและเอาเหตุมาพูดหรือเอาผลมาพูดมันมันแตกต่างกันยุทธวิธีท่างทั้นั้นนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะไปเป็นได้อย่างที่อาจารย์พูดว่า ควาจริงเถราวาทน่นคือมหายาตมีจจำนันมหายาตที่เราไม่สามารถเอามาใช้เองซึ่งในเถราวาทเองผมศึกษาอภิธรรมอะไระสมก็ถูกเป็นมิทานเซนนนัได้มากม า, กม า, กายกายกองซึ่งอาศัยหลักการของเซนในเซนเองก็น่าจะเห็นประโยชน์ของพระอของเถราวาทซึ่งมีข้อดีเป็นเพชรมีอยู่แล้วในเถราวาทเพียงแต่วิธีการนํามาประยุกต์ในการลุกเล่นในการยุทธวิธีนั้นแตกต่างกันเท่านั้นซึ่งใครจะ ตรงเห็นตรงอย่างที่เทระวว่าก็ว่าเห็นตรงเห็นตรงนั่นแหละฮะส่วนทั้งนั้นนั่นก็แจสิตสติปัญญาของตงนเองทีต่ตีความลงไปมันก็เป็นการบุกเ บ, บิกความคิดที่ในฐานะที่โลกปัจจุบันผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็เห็นว่ามองภาพรวมรวมก็ไปไปกันได้นะครับขอบคุณครับยิงขย้อนิดเดียวนะฮะต อ, อนนี้พิมพ์ก็ว่าไม่ว่าจะเป็นหายนะหรืออินนิยานหรือแม้ในค่ายเดียวกันไม่ว่าสมณครไหนนะครับ ที่ยึดถือแนวทางหรือเทคนิคการภาวนาที่แตกต่างกันล้วนแล้วแต่สิ่งชั่วคราวทั้งนั้นครับท้ายที่สุดมนุษย์ต้องเผชิญหน้าตัวเองอย่างโดดๆจงๆต่อสภาวะที่ตัวเองเป็นอยู่ยานอนั้นก็เหมือนกับยวดยานนลยครับมันพาเราไปได้ออกไปถูงไฮเวย์ถนนหนึ่งแต่นนี้ที่สุดเราต้องพึ่งตัวเองถ้าไปยึดถือยานไว้แล้วกลายเป็นผมว่ามันจะเป็นอุปสรรคขึ้นก็ได้นะฮะแท้ที่จริงนะสมัยพุทธกาลนั้น ไม่มีเลยครับคำว่าหินยานหรือมหายานไม่มีเม้แต่คมพุทธยานก็ไม่มีครับเพียงพระเจ้าท่านสกิตสเกานึกถึงไอ้ตอนที่ท่านสัตรุลถูกอาราธนาให้สอนได้ไหมฮะที่พรมมาอาราธนาท่านถือเอาว่ามนุษย์ที่มีทุลีดวงตามีทุลีในดวงตาแต่น้อยกรณีปลิมปลิ่มอยู่แล้วทําท่าจะรู้ทําท่าจะไม่รู้เนี่ยดังนั้นไอ้เงื่อนไขที่สําคัญไม่ได้อยู่ตรงวัฒนธรรม หรือยานนนยานนี้มนุษย์เองครับถ้าไม่มีมนุษย์มีแต่ยานก็เป็นยานล้า ง, งนั่นนะะั้นไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นทั้งความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามีผู้รู้จริงเกิดขึ้นในโลกนี้ผู้เห็นช่องทางก่อนหน้านั้นไม่มีทางนะมีในการพัฒนาระดับของจิตเข้าสู่ภูมิต่างๆยังไม่พูดเรื่องความหลุดพ้นแต่เป็นการเข้าสู่ภูมิสวรรค์พรหมโลก ในสูตพระพุทเจ้าท่านทาหมดแล้วต่อมาท่านอุทานคำว่าสตีเวเกสมาลเกสรลงเกยนะคือท่านต้องเที่ยวหมดแล้วท่านชิมลิ้มภูมินั้นหมดแล้วแล้วตั้งกระชี้ทางออกทางออกนี้เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับแต่ว่าการพัฒนาสติปัญญาให้เห็นลู่ทางที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเรายังไม่ได้พัฒนามันเพดัะนั้นความสลักสําคัญไม่ได้อยู่ที่ยานไม่ได้อยู่ที่แม้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยบางทีอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรองค์ลิมา น, นะครับ หรือกรณีที่ยืนภาคีเล้ยวให้พระจุบันโธไม่มีแม้แต่คําสอนด้วยครับมนุษย์สําคัญครับปัจเจกสําคัญมากเพราะเป็นกุญแจที่ไขเข้าสู่ความเป็นสากลได้ความเสากลนั้นพ้นหินญาณมหายาแล้วครับผมคิดอย่างนี้จิตใจที่รู้แจ้งเห็นจริงนะคงไม่ติดยึดอยู่นะว่าข้าเป็นมหายานนะอย่ามายุ่งกับข้าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมผมสันนิษฐานนะครับ ก็คงขอจบเท่านี้นะครับสุขภาพดีนะครับเป็นเป็นรู้ครับดีไหมฮะก็ค่อยๆถอย